สมพัทสยองสมัยมตน้นผมมีเพื่อนคนหนึ่งเล่าเรื่องพายน้ำให้ฟังบอกว่าคนแถวบ้านชวนกันไปเล่นน้ำคลองเด็กๆ ก, ก็ลงเล่นน้ำผู้ใหญ่ก็นั่งกินเหล้ากันบนฝั่งดูลูกหลานเล่นน้ำจูๆพวกผู้ใหญ่บนฝั่งก็ตะโกนโวกเวกให้เด็กๆปรีบขึ้นจากน้ำ พวกเด็กๆ ก, ก็ตกใจจึงรีบขึ้นฟังกันหมดแล้วไปถามพวกผู้ใหญ่ว่าทำไมรีบให้ขึ้นฟังขนาดนี้เขาก็เลยชี้ให้เด็กพวกนั้นดูสิ่งที่อยู่ในน้ำบอกว่ามันมีลักษณะคล้ายๆกับลูกมะพร้าวแหงๆเหี่ยวๆสีน้ำตาลคร้ำขนาดประมาณศีร์เด็ก 5-6 ขวบมีเส้นๆ เ, เหมือนสาหร่ายแต่ยาวมากยาวเกือบ2เมตรซึ่งปกคลุมอยู่โดยรอบ และมันลอยกระเพื่อมอยู่บนผิวน้ำลอยนิ่งๆอยู่พักใหญ่แล้วจู่ๆก็ค่อยๆจมลงไปใต้น้าในแนวดิ่งพวกผู้ใหญ่บอกว่านั่นเขาเรียกว่าพรายน้ามันจะมาดึงคนลงไปใต้น้าจนขาดอากาศหายใจตายให้ระวังให้ดีซึ่งผีพรายน้านั้นจะมีรูปร่างต่างกันออกไปตามแต่วิบากกรรมที่ตนจะต้องได้รับผีพราย ส่วนใหญ่มิถินที่อยู่ในน้ำมากกว่าบนบกเชื่อกันว่าเป็นจิตวิญญาณชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กสุดตามลาดับของดวงวิญญาณที่สามารถปรากฏให้รับรู้ได้ซึ่งเรียงลำดับตามนี้คือทรายฮู้ผีปีศาจซึ่งจะเห็นว่าทรายอยู่ในลำดับที่ต่ำที่สุดมักอยู่ในคลองหรือแม่น้ำที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดเมื่อจับเหยื่อได้ จะทำให้เหยื่อนั้นตายและเอาร่างเหยื่อที่ไร้บิญญานนั้นเป็นร่างของตนผีพรายส่วนมากจึงมักปรากฏเป็นร่างผู้หญิงนางไม้บางทีก็จัดเข้ากับพวกผีพรายได้เช่นกันเช่นพรายตะเคียนพรายตานีเป็นต้นหรือแม้แต่ผีทะเลหรือผีน้ำก็จัดเป็นพรายด้วยเช่นกันเช่นพรายทะเลพรายน้ำตอนนั้นตัวผมเองก็ไม่เชื่อ คิดว่าเพื่อนมันโมแกล้งหลอกเพื่อนคนอื่นๆแต่เพื่อนคนนั้นมันยืนยันว่ามันเห็นจริงๆเห็นกันทุกคนที่ไปเล่นน้ำในวันนั้นผมยังแซวมันอยู่เลยว่าเห็นลูกมะพร้าวแห้งแล้วหลอนไปเองว่าเป็นผีหรือเปล่าแล้ว เ, เพื่อนๆก็หัวเราะ ก, กันอย่างสนุกสนานจากนั้นเรื่องนี้มันก็ค่อยๆถูกลืมจนเลือนหายไปจากความทรงจา พอมาถึงช่วงวัยรุ่นผมเข้ามาหาวิทยาลัยปีหนึ่งหลังจากผ่านช่วงกิจกรรมรับน้องแล้วพวกเราเด็กปีหนึ่งก็ชวนกันไปเที่ยวหัวหินซึ่งมีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มที่มีบ้านพักให้เช่าติดกับชายหาดส่วนตัวพวกเราก็ไปสังสรรค์กันที่นั่นกินดื่มกันเต็มที่บริเวณชายหาดที่ติดกับที่พัก จนถึงเวลาประมาณตีหนึ่งตีสองเพื่อนหลายคนก็กลับเข้าที่พักกันไปแล้วเหลือผมกับเพื่อนๆประมาณ 4-5 ห้าคนยังอยู่ที่ชายหาดเพราะมีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งเมามากแล้วอยากจะนั่งแช่น้ําให้สั่งกว่านี้ก่อนค่อยกลับเข้าที่พักพวกเราเลยอาสานั่งเฝ้าเพื่อนคนนั้นเพื่อนผู้หญิงคนนั้นนั่งบนหาดทรายแล้วยืดขาลงไปในทะเล เวลาที่คลื่นกระทบฝั่งก็จะมีน้ำทะเลไหลมาโดนจนถึงต้นขาส่วนเพื่อนๆที่นั่งเฝ้าก็อยู่บนชายหาดซึ่งห่างออกไปประมาณหเมตรพวกเรานั่งกันไปแบบสบายๆบรร ย, ยากาศชิลๆจู่ๆเพื่อนเราที่นั่งอยู่ด้วยกันบนฝั่งก็มาสะกิดกันให้ดูเงาแปลกๆที่อยู่ในคลื่นทะเลทุกคนก็เพ่งมองดู ลักษณะของมันเหมือนลูกมะพร้าวเล็กๆแหง้แหงๆเหี่ยวๆมีผมสยายที่ยาวมากมันลอยตามขึ้นน้ำเข้ามาห่างจากเพื่อนคนที่นั่งแช่น้ำอยู่แค่ประมาณสเมตรเมืม่อผมเห็นในหัวมันก็แวบสิ่งที่เพื่อนสมัยมอตน้นเคยเล่าให้ฟังได้ในทันทีผมรีบร้องเรียกเพื่อนผู้หญิงคนนั้น แล้ววิ่งไปลากตัวเธอออกมาจากริมหาดให้ขึ้นมาพ้นน้ำในทันทีส่วนเจ้าสิ่งนั้นก็เหมือนมันจะค่อยๆไหลกลับลงไปในทะเลสวนทางกับคลื่นที่กระทบเข้าหาชายหาดพวกเราทุกคนรีบเก็บของกลับไปที่พักแล้วปิดประตูล็อกห้องอย่างแน่นหนาหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นพวกเราจะคอยเตือนทุกคน เกี่ยวกับการลงเล่นน้ำอยู่เสมอ ส, มสัมผัสสยอง